ก็กับบูชาปรตนาไตรกับบูชาครูบาอาจารย์ตังแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กอบคระวะพระอ า, า, าจารย์ไพศาลครูบาอาจารย์พันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังไม่ชีแล้วก็อุบาสกวาสิกาทุกท่านไอวันนี้ก็ตรงกับวันอังคาราที่5สิงหาคม พุทธศักราช2557ถ้าเรานับไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะก็จะตรงกับวันครบรอบของหลวงพ่อคำเกียนนะซึ่งก็เป็นหลักใยของพวกเรานะเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตนะที่พวกเราได้ดำเนินตามนะเราตื่นขึ้นมาวันนี้ <c oughs> ก็ได้ความ สดชื่นนะเมื่อคืนฝนตกนะก็ทุกคนคงตื่นขึ้นมาแล้วนะซึ่งถ้าบางคนยังรู้สึกงงง่วงอยู่นะยังซึมๆอยู่นะก็ช่วยปลุกตัวเองขึ้นนิดนึงนะให้เราตื่นขึ้นมานะหลังจากที่เราได้ไหวพระสวดม น, น่ะเป็นการปลุกตัวเอง นะให้ตื่นขึ้นนะจากความหลับไหลนะก็คือหลับไหลในทางร่างกายแล้วก็หลับไหลในทางจิตใจนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรานะได้ดำเนินตามรอยของครูบาอาจารย์ <c oughs> การมาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุขโตเนี่ยนะพวกเราคงจะได้วางภาระนะวางกิจการต่างๆโดยเฉพาะ ผู้ที่มาเพียงชั่วคราวแต่หลายท่านก็มาอยู่ตลอดไปก็ถือว่าเป็นการที่เรามาใช้ชีวิตที่ทวนกระแสะของโลกที่เป็นอยู่หลายคนคงจะได้มีประสบการณ์มีชีวิตที่ผ่านมานด้วยการศึกษาเล่าเรียน การมีอาชีพการงานการมีทรัพย์สินเงินทองนะซึ่งแต่ก่อนเราก็คิดว่าสิ่งนี้นจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างเต็มที่นะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> อำนวยความสะดวกนะให้เรามีความสุขในระดับหนึ่งนะแต่ในที่สุดเราก็มองเห็นว่ามันมีความสุขที่เหนือกว่านั้น นะเป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยกับวัตถุมากจนเกินไปนะพวกเราก็เลยได้วางภาระนะวางครอบครัวนะหรือบางคนก็เลยถึงกับตัดสินใจนะที่จะหลีกนะออกจากครอบครัวออกจากสังคมนะเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตนะที่เป็นชีวิตที่จะได้สัมผัสนะกับความสุขที่ ไม่ต้องอิงอาศัยกับวัตถนะุอย่างที่เรามาอยู่กันที่วัดป่าสุขกโตแห่งนีนะ้เป็นชีวิตที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการทวนกระแสค่านิยมความเชื่อนะของสังคมนะไม่ว่าจะเป็นในยุคใดก็ตามนะในสังคมในโลกเนี่ยก็มีความเชื่อว่าความสุขเนี่ยมันจะได้จากการที่เรามีวัตถุมากๆนะหรือการที่เราได้เสพ นะได้กินได้ใชนะ้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกเราหลายคนนะคงจะเคยมีประสบการณ์แล้วก็ผ่านมาว่ามันก็มีความสุขอยู่นะแต่ว่ามันก็เป็นความสุขในระดับพื้นฐานนะที่ <c oughs> จำเป็นจะต้องอาศัยวัตถุภายนอกนะมาหล่อเลี้ยงนะซึ่งตรงนี้เนี่ย เราก็ได้พบแล้วบางทีเราก็เกิดความรู้สึก <c oughs> เกิดความเบื่อขึ้นมานะหรือเกิดความที่เรียกว่ามันไม่อิ่มนะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราละวางนะความสุขที่ได้ในส่วนนั้น <c oughs> ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เสพหรือไม่กินไม่ใช้นะเราก็กินใช้แต่อยู่ในปริมาณที่พอหมะพอดี เราเริ่มเห็นความพอเหมาะพอดีแล้วก็มาสแสวงหานะความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยกับวัตถนะุซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องความสุขในจิตใจของเรานะเป็นการทวนกระแสความเชื่อนะหรือค่านิยมที่เราเชื่อกันมาก่อนนะซึ่งถ้าเราย้อนไปในครั้งพุทธกาลเนี่ยนะเจ้าชายทิฏถะท่านก็ได้มีประสบาการณ์อย่างนี้เหมือนกัน นะการที่ท่านอยู่ในพระราชวังนะอยู่ในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมานะแล้วก็ละวางนะแล้วก็มาค้นหานะสิ่งที่เป็นความสุขที่เหนือจากนั้นซนะึ่งในที่สุดท่านก็ค้นพบนะว่ามันก็มีความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยนะวัตถุก็ไดนะ้การไม่ใช้ชีวิตเรียบง่าย นะอย่างที่เรามาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตเนี่ยหรือการมาใช้ชีวิตอยู่ในอารามก็ดีในวัดก็ดีนะอันนี้เป็นเรื่องของการที่เราได้มีโอกาสนะมาใชนะ้สถานทีนะ่ใช้สิ่งแวดล้อมนะมีครูบาอาจารยนะ์ได้พูดคุยชีย้แจงแนะนำนะสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือนะในการที่เราจะได้สัมผัสนะความความสุข นะที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับวัตถุมากเกินไปการใช้ชีวิตที่วัดป่าสุขโตเนี่ยนะตัวกบผมนิตามาก็มีความรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่ทวนกระแสนะของสังคมของโลกนะที่เป็นเป็นอยู่ในปัจจุบันนีนะ้ซึ่งก็เป็นการเดินตามรอยนะของอพระพุทธ อ, องค์และก็ครูบาอาจารยนะ์จากที่เราได้ฟังประวัติ นะของพุทธองค์ก็ดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีเราเห็นว่าท่า <c oughs> นก็ละวางนะสังคมที่เคยเป็นอยู่แล้วก็มาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะอยู่กับป่านะอยู่กับธรรมชาตินะซึ่งตรงนี้นก็ทําให้เราได้เรียนรูนะ้เรื่องความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนะที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกมากเกินไป นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คิดว่าการที่เรามาอยู่ที่นี่นะถ้าจะนับเวลานี่ก็เข้าอาทิตย์ที่สนีะ่ก็เรียกว่าเกือบเดือนหนึ่งละนะในช่วงเข้าภรรษาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีเวลาที่จะอยู่ด้วยกัน อ, กอีกประมาณสองเดือนนะหรือบางทีอาจจะไม่ถึงทีเดียวนะเพรา ะ, ะนั้นตรงนี้เวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้สัมผัสนะกับความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุ มากน้อยเพียงใดนะซึ่งตรงนี้ว่าไปแล้วนะครูบาอาจารยนะ์ได้นำเสนอได้ชีน้แนะนะแนวทางในการที่เราจะศึกษาฝึกฝนอบรมตนเองนะอยู่ทุกวันนะทั้งเช้าทั้งเย็นเราได้ยินได้ฟังเราก็ได้น้อมนำนะเอาไปทดลองเอาไปปฏิบัติเอาไปทำให้เกิดขึ้นนะกับตัวเองนะด้วยความ ศรัทธาด้วยความเพียรนะก็คงจะมีผลบ้างนะไม่มากก็น้อยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกําลังของแต่ละคนความเพียรความพยายามของแต่ละคนนะที่ได้กระทําลงไปเพราะฉะนั้นชีวิตที่เราได้มาอยู่ร่วมกันเป็นชีวิตแห่งการขัดเกลืนะในการที่จะฝึกฝืนฝึกฝนทวนกระแสของอารมณ์ ทวนกระแสของความคิดด้วยการใช้สิ่งที่เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะก็คือการเจริญสตินั่นเองสตินั้นถือว่าเป็นเครื่องกลางกั้ น, นกระแสของอารมณ์กระแสของความคิดตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้ฝึกอยู่ตลอดเวลาอยู่ในชีวิตประจำวั น, นทั้งในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดี ในกิจวัตรประจําวันต่างๆเนี่ยเราเจนเลยว่าความคิดก็ดีอารมณ์ก็ดีเนี่ยเป็นกระแสที่มันไหลผ่านมานนในจิตใจของเราอยู่บ่อยๆนะเหมือนกระแสน้ําที่มันไหลยอยู่ตลอดเวลากระแสลมที่พัดผ่านอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะนะไม่มีตาใ น, น, นในการที่จะดู หรือในการที่จะเห็นอารมณ์หรือความคิดเหล่านี้เนี่ยนะมก็จะทำให้เราพัดหลงลงไปนะในกระแสอารมณ์กระแสความคิดนะที่มันจะพัดพาไปเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้มาฝึก <c oughs> ไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่ใจของเรานะมันก็จะจมไปหรือหลงไปนะกับความคิดกับอารมณ์ต่าง นะอารมณ์ดีอารมณ์ที่เป็นสุขนะเราก็รู้สึกเพลิดเพลินะอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็รู้สึกไม่ชอบใจนะก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้จิตใจของเรานั้นไม่เป็นปกตินะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความทุกข์ขึ้นมาเราอยากจะให้มันมีความสุขตลอดเวลาเราไม่อยากจะให้มีความทุกข์เลย นะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นไปไม่ได้การที่เรามีสติสัมปชัญญะนะได้เห็นกระแสของความคิดก็ดีกระแสของอารมณ์ก็ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ตกจมไปอยู่ในกระแสของสิ่งเหล่านี้นะเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นการทวนกระแสก็ได้นะนี่ก็เป็นการทวนกระแสอารมณนะ์ทวนกระแสความคิดนะซึ่งถ้าเราได้ศึกษาพุทธประวัติ นะก่อนที่เจ้าชายเสถตาจะได้ตัดสรุปนะท่านก็ได้เอาถาดทองนะที่นางสุจารดานะได้ถวายอาหารนะไปอธิษฐานนะที่แม่น้ําแต่ว่าถ้าไดจ้จะได้ตัดสรู้เนี่ยขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ําไปนะเมื่ออธิษฐานเสร็จนะก็วางถาดนี้ก็ลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไปจริงๆ นะแล้วก็ไปถึงต้นน้ำนะไปตกที่เมืองบาดาลนะพญานาคก็ตื่นขึ้นมานะนอนหลับมาเป็นพันปีนะก็รู้ว่าจะมีพระ เ, เจ้าขึ้นมาแล้วนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะซึ่งตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์โดยเฉพาะหลวงพ่อพเทียนนะท่านได้มาพูดเปิดเผยเป็นปริศนาว่าการที่เจ้าชัยทะลอยทวนกระแส เราถาดลอยทวนกระแสเนี่ยมันไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องของการที่เรามีสติลอยทวนกระแสความคิดคือเราไม่ไปตามความคิดคิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามให้รู้เท่าทั น, นไม่ตามกระแสะเรียกว่าเราลอยทวนกระแสไปเมื่อเราลอยทวนกระแสไปแล้วเนี่ยก็คือการที่เรากลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆโดยเพวะการกลับมารู้สึกตัวที่กายในเบื้องต้นเนี่ย นะเป็นสิ่งที่เราจะได้กลับมาสู่ความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นต้นฐานนะเป็นธรรมชาติเดิมแทนะ้ที่มันมีอยู่ในตัวเราแล้วตรงนี้แหละนะมันเป็นความสุขที่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่นะที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถนะุเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตนะที่เป็นไปตามกระแสอารมณ์ก็ดีตามความคิดก็ดี ทนะาให้จิตใจของเราเนี่ยนะมันไม่ปกตินะมันฟูฟูแฟบแฟนะไปตามาาความคิดดีความคิดไม่ดีอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะเป็นเครื่องกั้งกั้นเราไม่มีปัญญานะเข้าไปรู้เท่าทันตรงนี้นะก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยต้องระหกะเหินนะต้องเป็นไปตาม ความเคยชินเก่าๆนะความคิดเก่าๆอารมณ์เก่าๆนะก็เรียกว่าเป็นชีวิตที่เป็นไปตามกระแสนะไม่ใช่ชีวิตที่ทวนกระแสเพราะฉะนั้นการทวนกระแสเนี่ยนะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นนะได้เข้าไปถึงต้นกำเนิดนะของความคิดนะที่เป็นต้นเหตุของความทุกขนะ์ความที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดนี่เอง นะที่ทำให้เราหลงนะไปยึดติดนะในความสุขในความทุกขนะ์ไม่ว่าจะเป็นสุขนะที่ได้กินได้ดื่มได้เสพนะหรือได้สิ่งที่สมปรารถนานะหรือความทุกขนะ์ในสิ่งที่เราไม่สมปรารถนานะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้เท่าทันเพราะนั้นการที่เรามาใช้ชีวิตนะที่วัดป่าสุกโตนะ่ะ หรือไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามนะที่เรามีสตินะรู้สึกตัวนะที่กายเคลื่อนไหวแล้วเห็นใจคิดนกอยู่เสมอไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะเรากลับไปบ้านเราก็เอาสิ่งนี้ไปใช้ได้นะไม่จำเป็นว่าจะมาทําที่วัดป่าสุกโตเท่านั้นเพราะบางคนบางท่านนะก็มาอยู่เพียงชั่วคราว บางคงบางท่านก็อาจจะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในวัดป่าสุกโตตลอดเวลาแล้บางทีเราก็ออกไปข้างนอกบ้างออกไปทำํำกิจธุระต่างๆบ้างในการเคลื่อนไหวก็ดีในการไปใช้ชีวิตในที่ต่างๆก็ดีเนี่ยเรามีกายเรามีใจไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเจริญสตินะเราสามารถที่จะทําได้ทุกเวลาและสถานที่ถ้าเราฝึก จนสามารถที่จะเป็นเองนะเรียกว่าเป็นนิสัยนะติดอยู่กับตัวจริงจริงนะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองจะอยู่ในวัดจะอยู่ที่บ้านนะมันก็สามารถจะทำได้เพียงแต่ว่าอยู่ที่วัดอยู่ที่นีนะ่มันก็ไม่มีสิ่งที่จะมารบกวนมากนะักนะก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชนนะ์ให้เราได้มาเรียนรู้ นะเรื่องกายเรื่องใจเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดนะได้ชัดเจนนะแล้วก็อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ ก, การมีชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นญาติโยมก็ดนะีที่มาอยู่ที่วัดนี้โดยเฉพาะในช่วงเขา้าพรรษาเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเป็นโชคดีของพวกเรานะที่เราจะได้ใช้เวลาเนี่ยสหรับการที่เราจะมาฝึกฝนขัดเกลาจิตใจของเรา นะให้เรารู้เท่ารู้ทันนะกับความคิดกับอารมณ์ต่างๆนะซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญนะที่ทำให้เรามีความทุกข์เพราะฉะนั้น <c oughs> ทุกเวลานาทนะีที่เราอยู่ที่นี่นะจึงเป็นเวลานะแห่งการฝึกฝนอบรมตนเองเป็นเวลาแห่งการที่เราจะทวนกระแสนะความอยากนะความ สิ่งที่จะทำให้เรานั้นติดยึดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความติดยึดในเรื่องของความสะดวกสบายนะการติดยึดในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขนะโดยเฉพาะความสุขที่ได้จากการ <c oughs> เสพได้จากการกินนะความสุขที่เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันนะเป็นความสุขที่ต้องอิงอาศัย สิ่งวัตถุภายนอกมากจนเกินไปแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะปฏิเสธนะความสุขที่ได้จากการเสพวัตถุนั้นนะเพียงแต่ว่าเรารู้ประมาณในการที่เราจะเสพสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็รู้เท่าทันมันนะไม่ไปยึดติดนะไม่ไปหมกไปจมอยู่กับมันตลอดเวลานะเหมือนยังกับการที่เรานะ มาอยู่ที่นี่นะเราก็หลับนอนนะเป็นเวลานะในช่วงกลางคืนนะบางคนก็อาจจะสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแล้วแตนะ่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ให้ร่างกายมันพักผ่อนนะแต่เราคงไม่สแสวงหานะความสุขจากการนอนนะอย่างเช่นว่าบางทีเราเในช่วงกลางวันนะบางทีกินอิ่มนะเราก็นอน เราไม่ได้มาฝึกฝนตนเองเราก็ทำให้เวลานั้นเสียไปหรือบางทีเราอาจจะใช้เวลาไปพูดคุยไปคุกีกันจนเราเพลิดเพลินไปกับเรื่องของการพูดคุยซึ่งมันก็เป็นความเพลิดเพลินนะตรงนั้นแต่ตรงนั้นมันจะทำให้เราไม่ได้มีโอกาสหรือเสียโอกาสในการที่เราจะมา เรียนรูนะ้เรื่องกายเรื่องใจนะเรื่องความจริงของชีวิตนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเสียโอกาสไปเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เวลาวาลีไม่เคยคอยไขนะมันไหลแล้วผ่านแล้ ว, ผ, ลวผ่านเลยเพราะฉะนั้นเวลานั้นจึงเป็นสิ่งที่มีค่านะเราจะใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรอันะนี้เป็นสิ่งที่เราเคงจะได้พิจารณานะ แล้วก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชนะ์เป็นเวลาที่เราจะใช้เพื่อการฝึกฝนตนเองในการที่จะทวนกระแสอารมณ์ทวนกระแสความคิดนะเพื่อที่จะได้ไม่ตกจมหรือเป็นทาตุของอารมณ์หรือเป็นทาตนะ ข, ของความคิดนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้ฝึกฝนอยู่บ่อยๆนะเราก็จะเริ่มเห็นอิสระภาพนะใจที่จะเป็นอิสระจากอารมณ์ได้ นาใจที่จะเป็นอิสระจากความคิดได้นะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็นอิสระภาพทางใจนะและความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกนะมันก็จะแสดงหรือปรากฏให้เราได้เห็นนะซึ่งตรงเนี้ยเป็นสุขที่ไม่มีโทษนะในทางพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความสุขนะเราพูดถึงเรื่องความทุกข์ก็จริงน่ะแต่นั่นแหละหน่ะการที่เรารู้ทุก นะแล้วเราพ้นจากความทุกข์ไดนะ้มันก็จะเป็นความสุขที่มันจะแสดงตัวออกมานะซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้ความสุขนิดนี้เนี่ย <c oughs> ในแรกๆมันก็ยังไม่เเกิดขึ้นบ่อยๆะก็ต้องอาศัยที่เราปฏิบัติบ่อยๆเจริญสติบ่อยๆตรงนี้เราก็จะได้สัมผัสกับมันแะต่อย่างไรก็ตามนะก็ต้องระวังนิดนึงว่าอย่าไปติดกับมันอีกนะบางที ระหว่างการเจริญสติการฝึกนะ่จะในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดีและบางทีเราก็ได้รับความสงบนะรู้สึกจิตใจมันสงบมันนิ่งนะหรือบางทีก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายนะตรงนั้นก็ให้รูนะ้แล้วก็อย่าไปยึดติดอยู่กับอีกภาวะเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ยังไม่เที่ยงมันก็ยังแปรเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นก็รู้เท่าทันมัน นะแล้วก็รับรู้มันทุกอารมณ์ทั้งอารมณ์ที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจขอให้รู้เท่าทันนะอย่าเข้าไปตกไปจมอยู่กับมันนะอย่า ง, างเช่นบางทีเราก็ <c oughs> คุ้นเคยนะกับการที่เราจะนั่งนิ่งๆิ่งสงบสงบนะไม่รับรู้อะไรนะนั่นก็เป็นการพักผ่อนได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าให้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าหามันตลอดเวลา หรือเป็นสิ่งที่เราจะต้องหยหามันตลอดเวลาถ้าเราไปหยหายังนั้นนะก็ถือว่าเราตกจมอยู่ไปในอารมณ์ที่มันละเอียดขึ hmm. <there> ้นไปอีกเพราะนั้นจิตใจเราก็จะไม่เป็นอิสระเพราะนั้นจิตใจที่เป็นอิสระนั้นต้องอิสระในทุกๆอารมณ์ในทุกๆความคิดนะแล้วก็ความเป็นอิสระนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองนะเป็นสิ่งที่เราไปบังคับปัญชาไม่ได้หรือเป็นสิ่งที่เราจะไปกักเกณฑ์เอาไม่ได้ เพียงแต่ว่าเราสร้างเหตุสร้างเหตุก็คือการที่เราเจริญสติอยู่บ่อยๆทําบ่อยๆ อ, อ, อย่างต่อเนื่องตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพราะนั้นการที่เรามาใช้ชีวิตเนี่ยเกือบหนึ่งเดือ น, นเป็นเวลาที่เราได้ใช้ไปที่น่าจะได้พิจารณาเหมือนกันว่าได้ใช้ไปคุ้มค่าไหมแลวเราได ศึกษาแล้วมีผลพัฒนาการขึ้นมาอย่างไรบ้างนะหรือว่าหนึ่งเดือนผ่านไปก็เหมือนเดิมนะหรือบางทีเริ่มนับนิ้วนะว่าเมื่ อ, อไร่จะออกพรรษาสักทีหนึ่งนะซึ่งตรงนั้นก็จะทําให้เราอยู่อย่างไม่เป็นสุขเท่าไหรนะ่เหมือนเราโดนควบคุมบังคับนะหรือตัวเราเองควบคุมนบะังคับตัวเราเองมันก็จะไม่เป็นสุขเท่าไหร่นะเพราะนั้นถ้าเรา <c oughs> รู้เท้าทันเรื่องพวกนี้เนี่ยนะเราก็สามารถที่ปลดปล่อยนะความอึดอัดขัดเคืองนะที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราได้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้ฝึกเอาไว้แล้วก็ได้เกิดนิสัยใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะติดตัวไปนะไม่ว่าเราจะอยู่ที่นี่หรือจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในเพศใดอยู่ในภาวะใดนะมันก็จะติดตัวไปมันก็จะใช้ได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเราได้ม า, าร่วมกันนะใช้ชีวิตศึกษาฝึกอบรมเพื่อทวนกระแสนะความเคยชินเก่าๆเป็นความเคยชินที่นำไปสู่ความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจนะความอึดอัดขัดเคืองต่างๆนะเมื่อทวนกระแสแ ล, แล้วมันก็จะนำไปสู่ความที่เป็นอิสรภาพนะทางจิตใจเมื่อคนเรามีสรภาพทางจิตใจแล้ว นะเมื่อไปสัมผัสสัมพันธ์กับคนอื่นนะความสุขที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะเผื่อแผ่ออกไปนะกับคนที่ใกล้เคียงกับเพื่อนร่วมงานกับสังคมนะซึ่งตรงนี้มันก็น่าจะจะเป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่ทำให้สังคมเนี่ยมีความสุขมีความสงบขึ้นมาบ้างนะตัวพุทธมรรตามาเองมีความเชื่อว่าถ้าคนเรานะได้พัฒนาตัวเอง ที่จะเป็นอิสระาจากากิเลสตัณหาต่างๆเนี่ยก็จะได้ทำประโยชน์นกับสังคมชุมชนแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้สังคมนั้ น, นได้มองเห็นแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์นนสังคมให้เจริญให้ก้าวห น, าน้าไปในทางที่เหมาะที่ควรไม่ใช่เป็นสังคมที่ แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเป็นสังคมที่เบียดเบียนกันทำร้ายนะซึ่งกันและกันนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ เ, เกิดจากการที่ผู้คนในสังคมเนี่ยไม่ได้รู้จักนะการที่จะมาแก้ไขตัวเองการที่จะมาพัฒนาตัวเองการที่จะมาสแสวงหาความสุขนะที่มีอยู่แล้วในตัวเองจริงๆรงนะิก็เลยทําให้เกิดความ เ, าเดือดร้อนขึ้นมาในสังคมนะซึ่งตรงนี้ก็ เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราหน้าที่จะได้มีส่วนในการที่จะสร้างสังคมชุมชนให้เป็นสังคมชุมชนที่มีสันติสุขมีสันติภาพขึ้นมานันี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้นําเสนอในช่วงเช้าวันนี้เพราะฉะนั้นการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นชีวิตทวนกระแสนะเพื่อที่จะนาไปสู่สันติสุขในใจ แล้วก็สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นกับสังคมต่อไปและในท้ายที่สุดนี้นก็ขออ้างเองเอาคุณของพระสีรัตนตรัยและก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบา น, นาก็คือสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงที่ปรากฏนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน นะและก็พระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานะในการที่จะไปเข้าไปเห็นความจริงนะของชีวิตของโลกนะเพื่อที่จะได้ให้คืนสู่ความเป็นปกตินะทั้งความปกติในจิตใจในร่างกายและความปกติของสังคมต่อไปในท้ายที่สุดนี้ก็จเจริญพรมาทุกท่าน